ขอความสุขความเจริญจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจากวันที่88ดพฤษภาคมจนถึงวันที่17เจพฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาซึ่งงานจริงๆจะเริ่มในวันที่ส1อ แล้วก็จบลงที่เชี่ยงคืนของวันที่17แต่ว่างานบางอย่างนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่7แล้วศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเดียตมาเป็นเลขาธิการอยู่ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527จนมาถึงปัจจุบันปีนี้ก็อาจจะล่าช้าไปน้อยไปน้อยหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็ยุติลงรื่ดีแล้วก็น่าทำงานของเราแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย เรามีความพร้อมที่จะทุ่มเทลงไปเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2542ในการประชุมขององค์การสาประชาชาติครั้งที่รู้สึกจะ52นะองค์การสาประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาขาบูชา เป็นวันสำคัญสากลซึ่งเดินทีเดียวหมายถึงหยุดสากลด้วยแต่ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการประบีิประนอมเห็นว่าถ้าหยุดสากลบางครั้งประเทศที่เขามีศาสนาอื่นเป็นศาสนาประจำชาติอยู่จะไปบีบบังคับอะไรเขามากเกินไปนก็ขอให้อยู่เพียงจุดเทีเ่ยกว่าเป็นวันสำคัญสากล คือเพื่อสมาชิกองค์การสหประชาชาติต้องยอมรับว่าวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันสำคัญแล้วก็ถือว่าอัศจารย์ด้วยเพราะว่าพระาศาสดาของพระพุทธศาสนานั้นทรงประสูติสรสรูสเสด็จเ ด, ดบัคขันธปรินิพานในวันเดียวกันคือวันเพ็ญหเดือนหด้วยกัน แต่วันประสูติก็ห่างจา ก, กวันจัสรู้สาสิบห้าปีห่างจากวันนิพานนพานไปนิพพานแ0ดสิบปีวันจัสรู้ก็ห่างจา ก, กวันไปนิพพานสี่สิบห้าปีได้มีการศึกษาคำภี่ย้อนหลังไปฏิทินพันปีนะฮะสองสามพันปีห้าพันปีรือสึกว่าหพันปีก็ปรากฏว่าลงอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่พูดเราเอง แล้วก็เคยดูปฏิทินเล่มนี้เล่มใหญ่มากของท่านโาคุณพรหมมนีวิชัยก็ได้เปิดดูว่ามันตรงกันหมดก็แสดงว่าเรื่องโดนั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการเตี๊ยสจั์ว่าทั้งสามครั้งนั้นเกิดในป่าทั้งหมด แล้วก็อยู่กับคนละทิศละทางนะวันประสูตนั้นอยู่ที่ป่าสวนลุมพินีตั้งอยู่ ก, กลางระหว่างกรุงก บ, บิลพัทคเทวทธาสถานที่สัจรูก็เป็นป่าจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชกราเนรัญชราที่เมืองขยาติขยาศีสะ ใ, ใกล้แม่นำ้ำเนรัญชรา แล้วก็ประนิพานก็อยู่ที่เมืองกุสินราเป็นป่าไม้รังป่าไม้รังป่าไม้สาระแล้วก็ป่าไม้อสัตว์ผลึ ก, กตัวต้นไม้ ก, กับคนละชนิดกันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาแต่ว่าเนื่องจากเวลาในช่วงตรงนี้ยจะมีตั้งแต่วันที่แปดจนถึงวันที่สิบเจ็ดเนี่ย ก็จะพักช่วงไตรรมปรโพธิยานไว้ก็จะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาทบทวนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาแต่ก่อนจะมองไปที่2527มันต้องมองย้อนไปถึงพศ2524แล้วก็มองย้อนไปถึงพศ2500เลย คือเราจะเห็นว่าถ้าเราติดตามข่าวครา ว, าวาศาสนาที่ต่อเนื่องกันมาในตรงนั้นนี่ยปี2500เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีหนังสือเล่มหนึ่งพิมพ์เผยแพร่ขึ้นในเมืองไทยชื่อว่าปุตชาวิสัจนาเป็นการตั้งคำถามเองแล้วก็ตอบเองของาศาสนาหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ที่จริงเคยพิมพ์เผยแพร่สมัยรัชกาลที่สามแต่ก็ถูกเจ้าพระยาทิปากราวงรู้สึกว่าจะชื่อขำบุญหน้ากันนะสั่งริดยึดเผาทำลายหมดแต่หนังสือมันแพร่หลายไปหมดแล้วก็มีคนส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้ยุดสมัยทรงนั้นท่านหลายคกนึกออกว่าเป็นยุคของจอมพลสิริทนะรัต์ เอกสารเหล่านี้ก็เผยแพร่อ อ, อกมาทำให้ชาวพุทธตื่นตัวมากพันโทปินมุทุกันอนุศาสนาจารย์ของทับบกโดยการสนับสนุนดูเบื้องหลังของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดังซื้อพิมพ์ประชาธิปไตยและตลอดถึงกลุ่มชาวพุทธเป็นนั้นมากจะได้มีการปาตกถาขึ้นมา ก็ดังมากในยุคนั้นเรียกว่าตอบบาดหลวงแล้วก็ต่อมาก็คัดลอกคำปาฏกคถาคือปันเอกเปินมุตุการเป็นคนทำงานละเอียดคือท่านจะมีร่างของท่านมีวัค้อของท่านแล้วต่อมาก็ได้ถอดเทปออกมาพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่แพร่หลายอยู่นาน ใเวตานี้ก็เข้าใจว่าตามห้องสมุด ต, ต่างๆก็ยังหาได้อยู่แต่ต่อมาเรื่องมันก็เงียบไปประมาณพศสองพันห้าร้อยห้าร้อยหกมันก็เกิดกลุ่มเ็าเรียกว่ า, าศาสนสัมพันธ์ขึ้นโดยคันการนำของบัตรหลวงโรบันคาตอลิกเราก็ทำงานด้วยการสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก แล้วก็เริ่มประชุมจัด ก, กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ชัดเจนในเมื่อ 2,508 แล้วก็มีมาทุกปีจนมาถึงมันมีเค้าของความสับสนเกิดขึ้นมีบาทหลวงท่านหนึ่งชื่อยอนอุลิอาณาไปปาตกถาในกลุ่มศาสนสัมพันธ์นั่น มันท่านจะพูดพลาดไปยังไงก็ไม่ทราบต่งไปใช้คำว่าเวลาเนี้ยคณะบัตรหลวงกำลังร่วมกันศึกษาวิธีการที่จะชี้นำความถูกต้องให้แก่มนุษย์ซึ่งพระเจ้ามอบหมายให้พระพุทธเจ้ามาเผยแสดงแก่โลกชาวพุทธเลยงงเลยเอมันเกี่ยวข้องอะไรกัน แล้วต่อมาก็มีเอกสารชื่อบุญเลจินบ้างแสงธรรมบริทั์บ้างเราคือผู้ที่โลกราคอยบ้างมันก็มีการรวบรวมมาศึกษากันแต่ที่เรารู้เนี่ยมันรู้เมื่อปศสองารยสิบสี่แล้วก็มาศึกษาก็เห็นว่าเออ จ, จะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามา เราก็จะพบว่าศา ส, สนาพุทธเนี่ยมันเริ่มต่อสู้กับศาสนาพราห ม, มาตั้งแต่ยุคที่พระเจ้ายัางทรงไปชนอยู่โดยจะพบพวกอัญญาดีรถีพวกศาสนาเชตเนี่ยงเบียดเบียนทำลายล้างพระพุทธศาสนาสารพัดแม้แต่ในพุทธชัยมงคลคาถาแปดบทบทเผาหุงแปดบทนะเรก็จะเห็นว่า เป็นการชนะต่อลูกศิษย์ของท่านนิโคร น, นาจะบททั้งสองบทบทหนึ่งก็คือบทที่ส่งชนะนางจินจะมานาวิกาซึ่งพวกอัญญาเดอทีส่งมาให้ทำลายพระกิตติคุณของพระพุทธเจ้าโดยวิธีการแบบง่ายๆนะชาวบ้านไปฟังเทศในวัดพระเชตวันตอนเย็นก็ออกมาเธอก็เดินสวนเข้าไป ก็ถามมาไปไหนบอไม่ใช่เกี่ยวกับพวกไม่เกี่ยวอะไรกับพวกท่านก็ไม่ยอมตอบคือพูดแล้วก็สงสัยทําให้ก็สงสัยแล้ว ก, ก็เดินทะลุกออกหลังวัดไปพักอยู่ที่อาสมของนิคนรุพรตอนเช้าคนมาวัดเนี่ยอย่างนี้ก็เดินมาจากหลังวัดกนะันเข้าทางวัดทางด้านหลังก็สวนออกมาอีกเป็นทีคล้ายๆกับให้คนมีความรู้สึกว่าเธอเข้าไปนอนในวัด แต้ต่อมาก็ทำทีคกล้ๆก็มีท้องมีไส้ขึ้นมาเอาผ้าไปคาดท้องให้โตขึ้นเอาไม้ไปพันไวข้างในได้มาโจดพระพุทธเจ้าจนถูกทอนีสู่ไปอีกข้อหนึ่งก็คือสัจจกนิครณซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนิครณนาถบุตรได้มาคัดค้านธรรมะของพระพุทธเจ้าเรื่องหลักอนัตตาคือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนผิด จริงจริงสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เป็นอัตตาก็เป็น ต, ตัวตนพู้เจ้า ก, ก็ใช้วิธีถามให้ท่านได้คิดแลวทางก็ยอมจำนนเพราะนันเราก็เห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันก็มาเรื่อยๆมาจนถึงหลังพุทธกาลที่ศาสนาพุทธเสื่อมไปจากอินเดียเนี่ยมันเสื่อมไปโดยวิธีการที่ถ้าเราใช้คำอังกฤษที่เขาใช้คือไดอ o g u e แไปแก่วิธีการเข้าผสมกลมกลืนซึือก็ตีสนิทเข้าเป็นพวกหมายความว่าพุทธมีอะไรเนี่ยฮินดูก็มีอย่างนั้นแล้วฮินดูก็แสดงให้เห็นว่าเป็นที่มาของพุทธด้วยมันก็ยุ่งกันใหญ่ก็ต่อสู้กันมาตั้งแต่ศตวตรรษที่หกนะฮะก็ ผัดกันรุกผลัดกันรับจนมาถึงศตวรรษที่สิบเจ็ดเราก็ถูกผีซ้ำด้ำพลอยเราก็เสื่อมไปจากอินเดียตอนกลางอินเดียตอนใต้ก็เสื่อมเมื่ออีกสองร้อยปีต่อมาก็เสือ่อมก็เสื่อมจากอินเดียเนี่ยแปดร้อยปีเพราะในแวดวงของนักศึกษาที่เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาเนี่ยพอดูวิธีการแล้วเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะเอาจริงเนี่ย เลยก็เกิดตื่นตัวขึ้นเมื่อก่อนก็มีการประชุมสัมมนาก็เป็นการใหญ่นะตอนนั้นก็ทั่วประเทศโดยเฉพาะในวงการทหารนี่ตื่นตัวมากต่อมาต้องเดินสายบรรยายแล้วก็มีพระมาจากลาวอะไรต่างๆมาช่วยกันต่อมาเมื่อวันที่สิบเจยเห็นว่าวันที่สิบพฤษภาคมสองพันหรอยยี่สิบอะยี่สิบเจ็ดเนี่ย โป๊บเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทยจึงหมายความว่าเท่าเมื่อท่านมาเนี่ยทางศาสนาเองก็ต้องเตรียมตอนรับด้วยแล้วก็เราก็เห็นว่าเออมันช็ักจะไปกันมากอะ่ะมราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ไปชุมหลายครั้งนะฮะในสุดก็ลงมติว่าเราต้องจัดวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงวันที่สิบเอ็ด ก็แปลกปีนี้เป็นวันเริ่มงานวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดพฤษภาเมือกันแต่ว่าปีนั้นมันวันที่สิบเอ็ดเป็นวันวิสาขไม่ใช่วันที่สิเอ็ดเป็นวันเริ่มงานเหมือนกันใช่แล้วก็พอเริ่มงานไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีคือรณรงค์ชาวพุทธมากันเยอะงานส่วนใหญ่เป็นงานทางวิชาการศาสนา รณรงค์สองหลักนะฮะรณรงค์ในสองหลักคือหลักหนึ่งก็คือรณรงค์เป็นภาพกว้างเชิญชวนชักชวนพุทธศาสนิกชนให้มดเป็นบายมุขรักษาศีลห้าแล้วก็ทำจิตโด้สัมผัสศาสนาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าวันสำคัญในที่จริงในวัดต่างๆเขาก็ทำกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเป็น วนรวมวันการเปิดงานวิสาขาในครั้งแรกเนี่ยเราก็รวมกันหมดทั้งตรมยุตธ์ทั้งมานิกายทั้งจีนนิกายและอานัมนิกายโดยการเปิดงานที่ตึกมหาวิทยาลัยมหาราทยาลั ย, า ย, ายสมัยนั้นเรียกว่าสภาการศึกษามหาริทยาลัยโดยสมเด็จพระเทพปรัตนาราษฎร์สยามบรมราชกุมารี ในพระดำรับที่ตัดต่อตัดเปิดงานนั่นเองมันมีข้อความช่วงก่อนจะจบเนี่ยก็รับสั่งให้พวกเราจัดงานต่อไปอย่าหยุดแล้วเมื่อสมเด็จพระสังฆราชพระร า, าบพารรรรบพิษสงทราบก็ส่ง ส, สนับสนุนให้จัดต่อไปแล้วก็ส่งแนะนำว่าให้เอามาชาติเข้ามาด้วยก็พวกเราก็เลยก็ ที่จริงก็ตั้งใจจะจัดงานเพียงปีเดียวนะครพอมาถึงอย่างนั้นก็เห็นว่ามันก็ควรจะทําต่อก็อในที่สุดปศสังพันรอยี่สิบแปดก็ทําต่ออีกปีหนึ่งเรีนว่าประชาชนในการสนับสนุนหน่วยมูลนิธิองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมมือกันเดียคือศูนย์นี่จะทาหน้าที่ประสานใช่แต่ตอนนั้นที่จริงยังไม่เป็นศูนย์มันเป็นคณะกลุ่มพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่ง ทั้งขวายหัษตะบันไปชิดในส่วนมากก็เป็นตัวแทนขององค์กรมูลนิธิต่างๆมาร่วมกันก็โดยมีพระผู้หลักผู้ใหญ่หลายรูปนะฮะก็เข้าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังที่จริงก็เป็นหลักจริงๆเนี่ยก็มีอยู่สี่รูปก็มโนภาพไปแล้วรูปหนึ่งแล้วก็พอมาถึง 2529มันก็ริเริ่มจัดขึ้นเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมีวัตถุปร ะ, ประสงค์หลักจริงๆเนี่ยคือเราเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยข้อความลายคอแต่เนื้อหาสาระจริงๆก็คือต้องการสืบสารพระพุทธประฐานของพระพุทธเจ้าโดยการให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท โดยการรณรงค์เชิญชวนชักชวนให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักของพัทธธรรมเราก็นเน้นระดับเวนเอใาบายามุกรักษาศีลห้าไว้พระสุดบุญธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าทาอย่างรจริงอจังเพราะว่าประเทศลังกาเนี่เอาจริงมากเลยวันวิสาขาบุญาบางปีกระบวนแห่พระบรมสารีธาตุเนี่ยมีช้างเป็น หลายสิบเชือกหรือเป็นร้อยกว่าเชือกก็มีหลังการเี่ยจะเอาจิงมากในเรื่องหลัเนี่ยเพราะ ง, งั้นในที่สุดก็ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์กำหนดวัตถุประสงค์สืบสารพระพุทธปณิธานสี่ข้อหลักแต่มาก็มันเรียงไงมันคล้องจองเพราะในพุทธปณิธานไม่มีปฏิเวทเพราะปฏิเวทมันเป็นผล คือเมื่อมีการศึกษาโดยชอบปฏิบัติโดยชอบปฏิเวทก็เกิดเองการต่อไปคือการเผยแผ่พระสัทธรรมในรูปแบบต่างๆอย่างเวลานี้งานของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรูปเผยแผ่เนี่ยรูปฝึกอบรมโอโยชนเข้าใข่แล้วตอนนี้ก้าวหน้าไปจนถึงแก้ปัญหาเรื่องยาบ้า เรากแก้ไปได้ปีหนึ่งเป็นหมื่นๆมื่นนะฮะตอนนี้ก็มังประสานงานกับกรมชมีวะเรามีวิทยากรเป็นพระรุ่นหนุ่มทางานกันเราสามารถระดมคนเหล่านี้เข้ามาทำงานก็ได้เรียกว่าในช่วงตรงนี้ขนาดสองร้อยกว่าเนี่ยเราระดมได้แต่ว่าไอ้ความไม่พร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ความไม่พร้อมในเรื่องปัจจัยในการใช้จ่ายนเนี่ยก็ทำไม่ได้ ก็ทำเท่าที่ทำได้กรมอาชีวะเนี่ยรู้สึกว่าเขาสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญก็สนับสนุนในเข้าร่วมในกิจกรรมตรงนี้อยู่มากในขณะเดียวกันก็มีรายการนวิตยุทธ์ทางโทรทัศน์ทางหนังสือออกเผยแพร่มาตลอดออกเป็นจำนวนมากแต่ทำงานค่อนข้างเป็นแบบพละคือไม่ค่อยมีโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนอะไรเป็นพิเศษ แต่มาเองยังมองว่าพุทธบริษัทนี่รู้เข้าใจกันอยู่พอสมควรอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่รายการรู้ทำนำชีวิตกับอยู่เย็นเพลินสุขลางช่อง9ก้าซึ่งองค์การมอสอองค์งการอสอมอทอมอบให้เนี่ยเราทำมาถึงจุดหนึ่งมันไม่มีเงินในการทำงานเพราะว่าปัญหาก็รู้กันอยู่นะฮะสปอนเซอร์เองไทยออยเขาก็อาการหนัก เลยไม่ให้การสนับสนุนเราก็บอกกล่าวญาติโยมทราบถึงปัญหาขอให้ช่วยกันคนละยี่สิบาทคิดว่าถ้าได้คนละยี่สิบาทเราคิดว่าคนประมาณสักห้าหมืนได้ช่วยเราสักคนละยี่สิบาทเนี่ยเราทําได้ปีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเาก็จึงญาติโยมช่วยเยอะและยังนึกว่าตอนนี้เราก็ทําไปได้ก็ปีกว่าแหละมีปัญหาไว้ค่อยบอกกันอีกรอบหนึ่ง แล้วพอเรามีปัญหารเรื่องการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรามีปัญหารเรื่องสถานที่เนี่ยก่อนจะลงตัวได้ในเพิ่งลงตัววันที่สี่นี่เองเนะฮะก่อจะได้จัดที่ท้องสนามหลวงแน่งานอื่นมันช่ ง, งักไปหมดเลยอะไรก็เดินหน้าได้ก็เดินไปก่อนปรากฏว่าสถานีวิทยุต่ตางๆนึงสือพิมพ์ กลุ่มชาวพุทธต่างๆนี่แสดงตนออกมาเรียกร้องแล้วบางครั้งบางคราวก็เปรี้ยกโกรธ ด, ด้วยก็ท่าให้เห็นว่ามันถึงเวลาที่ชาวพุทธเนี่ยทำยังไงว่าเราไม่มีเรามีเขามันมีแต่พุทธบริษัทและทำงานโดยพื้นฐานของการขนสายเข้าวัดแล้วผลประโยชน์มันออกมาในรูปคนเรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหน ความคิดที่จริงมันยังก้าวไปอีกหลายขั้นตอนนะฮะเพื่อว่าขยายงานนี้ออกไปให้เป็นตัวประสานโดยหมายความว่าองค์กรไหนที่เขาทาอยู่แล้วเราสามารถประสาน ร, ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องใดไ ด, ได้เราก็เข้าส่งเสริมสนับสนุนในจุดนั้นซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่จะเริญเติบโตนั้นคงจะมีแต่ว่าในเวลาที่ไม่น่าจะเร็วนักเหมือนกัน ต้องฟังทงหลายแต่การในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทักันสวัสดี